ขอความสุขความเจริญก็มีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ดมพระบทยานกำลังประรบสถานการณ์ในชมพูทวีปคือในประเด็นที่เราเรียกว่าชมพูทวีปและประชาชนก็กำลังกล่าวถึงลัทธิต่างๆซึ่งมีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนาที่ท่านแบ่งออกไปเป็นหลัทธิหรือเรียกว่าชาทัศนะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปในทางสุดตรงทั้งสองขั้วคือด้านวัตถุนิยมที่จัดกับจิตนิยมที่จัดเมื่อก่อนได้พูดถึงท่านลัทธิของท่านปุรานาคัสปะปุรานัสป ะ, ปปะแต่เราจะต้องมองเขาด้วยความเป็นธรรมเหมือนกันนะคว่าการบอกเล่าถึงสาระแก่นสารในลทัทธิเหล่านี้ ที่กล่าวในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมันสืบเนื่องมาจากการเล่าของพระเจ้าอาชาติศัตรูคือหลังจากพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สังหารพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแล้วนี่มันก็เกิดทุกข์ทรมานสาหัสจึงเข้าไปศึกษาในสำนักของลัทธิต่างๆซึ่งเผยแพร่ ก, กันอยู่ในกรุงรัชคุก และตอนสุดท้ายหมอชีวกโกมารพัทก็นำมาฟาบพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาตรูก็ได้กราบทูลเล่าถึงลทัทธิต่างๆที่ได้ไปสนทนา ม, มาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็ุกันก็ท่านด้แสดงความเห็นว่าบรรดาเจ้าลทัทธิทั้งหมดเนี่ยสัญชยัยเวนรัฐบุตรนี่โงที่สุด ก็ถือว่าเป็นความเห็นของปเจกชนคนหนึ่งเพราะในที่นี้ก็คงมองจากที่เรามีหลักฐานอยู่นะเราเข้าใจว่าการที่ท่านบีเป็นลัทธิได้อย่างนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาได้ขนาดนั้นก็คงไม่ใช่สอนอย่างนี้อย่างเดียวแต่ก็เป็นประเด็นหลักๆยกมาบางประเด็นท่านมคริลิโคสารเนี่ยเดินทีก็เป็นธาตุเหมือนกัน ย่าสังเกตนะฮะวหนากัสปะก็เป็นธาตุมค ري ขวด า, านก็เป็นธาตุบันดึงท่านแบกหม้อน้ำมันเดินไปแล้วกเกิดลื่นล้มลงขลิเนี่ยก็แปะวะล่ลล่นนะครัวทุกนายลงโทษก็ลุกขึ้นวิ่งหนีนายก็วิ่งตามยึดชายพระนงไว้ได้เขาก็เปลือยกายวิ่งหนีเอาขั้นเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ย คนก็ตื่นเต้นนะฮะนึกว่าเป็นพระหันเพระปลือกกายเลยก็ให้ความเคารพนับถือความคิดของท่านก็จากโครงสร้างเดียวกับท่านโุนากัรสัพก็คิดว่าการที่เขาเคารพนับถือตนก็เพราะว่าตนไม่ได้นุ่งผ้าแต่ถือนุ่งผ้าเข้าประเดี๋ยวประชาชนจะไม่นับถือก็เลยไม่นุ่งตลอดไป ก็ถือว่าแปลกนะฮะและที่ความเชื่อในแนวนี้ในสมัยพุทธกาลเองเรามีพระอาหารหันต์อยู่รูปหนึ่งชื่อพระพายาธุรจิรยม์มนกริ่มต้นที่เรือแตกแล้วก็เพื่อนขูงก็ล้มตายกันไปหมดตันเองก็ขึ้นฝั่งได้แต่ภาพพรก็ไม่มีเจนุ่งเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เก็บใบไม้เปลือกไม้ต่างๆเนี่ยมาห่อคุ้มร่างกาย คนก็ตื่นเต้นนะฮะนื่ว่าท่านเป็นพระราหารแล้วก็ให้ความเคารพนักถือเลยท่านก็ไม่กล้าหาผ่ามนุ่งกลัวลาบสกราระจะเสื่อมแล้วก็มียิ่งกันไปกว่านั้นท่านช่ำปุกาชีวกขนาดว่าไปหลอกลวงชาวบ้านว่ามีลมเป็นอาหารก็เรียกว่าตาพักโกคือมีลมเป็นอาหาร แล้วก็ยืนบนก้อนหินเท้าเดียวถามว่าทำไมไม่ยืนสองเท้าบอกว่าตะบะเดชชาของท่านนี่มากคือถ้าเหยียบลงสองเท้าเนี่ยแผ่นดินจะสุดโลกจะแตกโกนก็หวาดกลัวตะบะกันก็พยายามขอร้องให้ท่านกินอาหารของตัวเองพระเจงจะได้บุญมากๆท่านก็เอาปลาแยาหานี่จุ่มอาหารแตะที่ลิ้น เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รู้สึกว่าได้ทําบุญพิเศษแล้วแต่ยิ่งตกกลงคืนเนี่ยต้งกินอุจจาระคนก็ไม่รู้ว่าหลอกต้มชาวบ้านาเนี่ยได้ตั้งห้าสิบกว่าปีนะก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็มาอยู่ร่วมยุคพระพุทธเจ้าแล้วก็ค่อนมาทางตอนปลายแล้วนะพระพเจ้าจึงไปโปรดได้ก็อินเดียก็กิดือว่าแปลก เดี๋ยวนี้ก็มีลทัทธิอะไรเพี้ยนอยู่เยอะแต่ว่ามีคนนับถือซึ่งก็จะโทษอินเดียอย่างเดียวไม่ได้นะประเทศไทยเราก็มีลักษณะยอย่างเงี้ยมีเยอะไหมวะมีคนเคารพนับถือนอย่างน้อยที่สุดเขาก็อยู่ดีมีสุขก็ได้อะเช่นว่ามีบริษัทบริวารสักร้อยคนเรือนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่มีสุขแล้วแลตัวคนเดียวอาจจะมีลูกช้างสักสีห้าคนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อยู่กขาได้แล้ว ว่าในลทัทธิแนวนี้มันจะมีอยู่ตลอดในโลกาสตรใดที่มนุษย์ยังมีอวิชชาในเรื่องศาสนาอยู่มากๆเนี่ยคนพวกนี้ก็หลอกต้มชาวบ้านก็ได้คำโภิสารก็คือว่าเพราะว่าท่านท่านเกิดในโรงในโรงโขเลี้ยงโคก็ประวัติก็ชอบคนนะฮะอย่างพระเยซูนี่ก็เกิดในโคกของ ข้อแกะที่เขาเรียนแกะหลักคําสอนก็ท่านนั้นเป็นอเหตุตุกัทิฏฐิเขาเรียกอเหตุตุกกว่าคือว่าถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีปัจจัยเกิดขึ้นลอยๆความสุขความทุกข์อะไรต่างๆนเกิดขึ้นของมันเองไม่ได้มีเหตุปัจจัยเกิดตัวเรานั้นช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ จะทำความเพียนเพื่อความหลุดพ้นอะไรทั้งนี้ยไม่ได้ทั้งนั้นนะความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่มีอ่ะคนพานก็ไม่มีบัณฑิตก็ ม, มีทั้งกับมันดีเหมือนกันนะฮะคือพูดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ไปเรื่อยๆคนเราไปเร่ร่อนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์เองก็เหมือนกับกลุ่มได้ที่บุคคลขว้างไปนะฮะมาถึงจุดหนึ่งมันก็คลี่กับมันเอง พวนีน้แนวชีวิตแนวความเชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าสังสารวัติคือเกิดเกิดตายตายตายเกิดเกิดไปเรื่อยนะแต่ว่าเชื่อสังสารวัตนะครเชื่อการเวียนไหวตายเกิดแต่ไม่เชื่อว่าความบริสุทธิ์นั้นมาจากเขตมันบริสุทธิ์ก็มันเองเวลาท่านสอนท่านอุปม า, าว่าเบิกเหมือนกก้อนหินนะ่ะมันก็ตกลงไปในแม่น้ําก็ถูกน้ําพัดผันไปเรื่อยกระทบน้นนิด ก, กระทบนี้หน่อยผ่านการเวลาไปร้อยปีพันปีหมื่นปี ถึงจุดหนึ่งก็ค่อยกลมเข้ากลมเข้าแล้วมันก็กลายเป็นลูกกลมเองเป็นลักษณะแนวคล้ายๆกับบางเอื่นหรือว่าใช้การเวลาเนี่ยเข้าไปชุบคนก็ไม่ต้องรประกอบเหตุอะไรไม่ต้องเว้นบาปไม่ต้องมาเป็นบุญเพราะาบาปบุญไม่มีบุนี้น่ากลัวนะฮะก็ เ, เรียกอาเหตุตุกขทิฏฐิเกือหาเหตุไม่ได้เป็นการ แสดงความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการของสิ่งที่เราเรียกว่า ร, รมแต่จะต้องเข้าใจนะคำ ก, รรก็เป็นเรื่องสมมุติแต่การต่อไปก็คือท่านสัญชัยเวลัตบุตรท่านสัญชัยเนี่ยมันเป็นเกิดในสกุลช่างจักสา ร, เ ป, าารเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกปริภาชก แต่ว่าถ้าคนท่านค่อนข้างสับสนคือจับประเด็นจับหัวจับหางไม่ได้เขาเรียกว่าอมราวิเคปิกาคือลื่นแบบปลาไหลคือจับไม่ติดไม่รู้ว่าท่านจะเอาอะไรก็เช่นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่รู้หมายความวอไร จะยังไงก็ตามนะท่านก็มีมีโลกกระทัดที่ถือว่าฟังได้คือตอนที่พระสารีบุตรประโมคขาลานะไปลาพระพุทธเจ้าเผยแผ่ก็ไปสู่กรุงราชคฤึกแล้วตอนนั้นแต่ประสัดสรุปใหม่ๆนะประมาณเดือนที่แปดที่เจ็ดที่แปดเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าศสัสรุ แต่ภาษาดิบุตรพรโมกคักาลานะนี่ชวนท่านไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปไม่ได้มันอัตตาบรใหญ่ซะแล้วนะฮะแล้วก็อายุอานาโรธวิ้าก็อายุน้อยกว่าฉัานมีความรู้สึกว่าการเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นเนี่ยเหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ในตุม่มมันขยับก็เยื่อนไม่ได้ภาษาดิบุตรก็ช้วิธีครูบอกว่าอาจารย์ ต่อไปนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะคนก็จะไปเคารพนะับถือพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงท่านก็ตั้งคําถามซึ่งก็ต้องถือว่าท่านก็เก่งเหมือนกันท่านถามว่าเออในโลกเนี้ยมันคือมีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากภาษารี่บุตรก็ตอบว่าคนโง่ามากคนฉลาดน้อยคำบอกเออถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัว คน Το โมโง ah ่ก oh ็จะมาฉันซ ah ึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาปัสมนณกโคดมผู้ฉลาดเพราะฉันอยู่กับฉันได้ก็ท่านเล่นเอายอมตายอยู่กับเที่อ่ะแต่ว่าที่จริงแล้วก็ยอมรับนับถือสถานะพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าจะให้ท่านได้เป็นสิทธิ์นี่ท่านไม่เอาเพราะว่ามันก็ติดอัปตา ปัญหาประเด็นตัวนี้เป็นปัญหาที่น่าคิดว่ามนุษย์เราในบางทีเนี่ยอัตตามันเป็นเหนียวรังเอาไว้เช่นสมมติว่าเด็กๆมาพูดเนี่ยเราไม่ฟังเพราะว่าเราอ่มมานมห้มาก่อนเด็กซึ่งบางทีในเด็กมันมีโลกัศต์อะไรที่คมคมมีความเข้าใจกระบวนการของเหตุผลนอะไรต่านนงๆ ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะมีประสบการณ์เหมือนกันทั้งหมดนะในสิ่งที่เรารู้เด็กอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่เด็กรู้เราก็อาจจะไม่รู้และบางทีนี่เด็กก็อาจจะรู้ดีกว่าเราในหลายๆเรื่องแต่เพราะว่าอัตราเราใหญ่อะเราก็ฟังไม่ได้เราก็ทนไม่ได้ัน พ, พระเทศก็เหมือนกันมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเคยตั้ง ก็สังเกตเอาไว้เกิดท่านบอกว่าพระนักเทศเียมีอยู่สี่ประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเทศให้ฟังเราพูดไปเรื่อยยกตัวอย่างไปเรื่อยแต่ท่านก็ยกตัวอย่างนะฮะท่านยกตัวอย่างพระท่านยกตัวอย่างมาพวกเทศให้ฟังก็แบบหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อปัญญารันทะนี่แบบเทศให้ฟังประการที่สองนี่เทศให้รู้ เทได้รู้ก็อย่างจะคุณทําไม่ดุกนี่เทได้รู้เป็นวิชาการไปหมดแล้วพระพุทธที่สามท่านบอกว่าเทศได้คิดท่านก็ชี้หน้าจะมาด้วยบอกอย่างเจ้าคุณเนี่ยพูดได้คิดอย่างหลวงพ่อพุทธทาตเนี่ยพูดได้คิดแล้วก็ถามว่าเทศให้ทำหรอท่านบอกโอ้อันนี้ไม่ได้ไมันต้องหลวงพ่อแล้วคือพวกเทศให้ทําเนี่ยพูดไม่มากฮะ แต่ว่าคนเคารพนับถือท่านหลวงพ่อพูดไม่กี่ประโยคก็ทำแล้วนั่นคืออะไรก็คือว่าพื้นฐานของท่านเหล่านั้นจะต้องไปที่ยอมรับนับถือศรัทธาถ้าไม่งั้นเขาไม่ไปอ่ะเขาฟังได้พูดได้รู้ก็ได้นะพูดได้คิดก็ได้แต่เขาไม่ทำตามนะ คนที่ทำตามนั้นจะต้องเป็นคนที่เาขาเคารพนับถือศรัทธาทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยคือคนที่เคารพนับถือศรัทธามันก็ไปได้แต่ท่านสัญชัยทั้งๆ ท, ที่รู้จักก่อนคนอื่นหมดนะฮะถ้าพูดถึงคณาจารย์เจ้าลักชิดในยุคนั้ น, นท่านสัญชัยรู้จักพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่นแต่ก็จติงท่านก็เหลวไปไม่ได้ เพราะว่าไปมีความรู้สึกว่าถ้าไปนับถือพระพุทธเจ้าซึ่งเด็กกว่าเนี่ยทำให้ท่านเสียศักดิ์ศรีเลยก็แบกศักดิ์ศรีไปสู่นรกไปเลยลูกศิษย์บรรลุกมกผลเป็นพระอรหันต์สองร้อยห้าสิบท่านแล้วก็เป็นหลักตอของวัตตะอยู่กับท่านอีกสองร้อยห้าสิบก็เล่นกันแรงนะฮะทำไมนั้นก็เรียกว่าพาครึ่งต่อครึ่งกันเลย ล, ลูกสิทธิ์ก็มาภาดพระพุทธเจ้าเสักครึ่งหนึ่งนะอยู่กระท่านสักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วที่ของสันใจเนี่ยที่จึงฟังแล้วฟางยังไงมันก็ฟังยากพระเจ้าชาติตูท่านยังบอกว่าโง่ที่สุดเด๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่เราสังเกตว่าพื้นฐานทางการเป็นกณาจารย์เจ้รับที่ของท่านเนี่ยมันมันเหมือนอุปัติเหตุ โบนัส ก, กัส ป, ปะก็ดีนะฮะมัคคลริโกสารก็ดีสัญชัยเวลัตบุตรก็ดีเนะี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับอุบัติเหตุตกก็ไดพลอยโจรก็วาเรื่อยไปโดนร้อนสดไปเรื่อยแต่ก็มีคณนับถือจะไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลนแม้แต่ในหมู่สาวพุทธเราเองถ้าลองสังเกตเช่นการ นำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าในอาณาจักรนิพพานประกอบพิธีกรรมบรใหญ่โตคนมาไปชุมเป็นหมืนม่นๆไม่ใช่เรื่องย่อยนะแสดงว่าคนก็ไปเชื่ออย่างนั้นแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทําอย่างนั้นแต่ไม่น้นว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปนั่งกินเครื่องเส้นน้ําพริกปลาทูอยู่เนี่ยพระเจ้าก็เหมือนกับผีเปรตทั้งหลายที่เขาเส้นกันเนี่ย ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าแรงที่สุดเลยนะขนาดพรมขนาดเทวดามีอาหารทิพมมีปีติเป็นพักษาพระพุทธเจ้าต้องรอเครื่องเส้นจากชาวบ้านนะแต่ก็มีคนเชื่อมันไม่ได้คิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่จาเป็นร้องตัดสรุนะการเส้นผีมันมีมาก่อนตล้วเป็นไงแต่รดเส้นวิญญาณมารรุษมันมีมาตั้งนานนะนันก็คืออะไรก็คือเรื่อง ของขาดการศึกษาเรียนรู้ขาดการคิดแต่ก็ถูกคู่ไว้ด้วยความกลัวแล้วก็ยั่วให้เกิดความอยากรู้สึกว่าตนเองมีเกียรติมีศักดิ์สีบ้างที่ได้ถวายเข้าแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็คราวหนึ่งทนทั้งหลายของนิกกอที่มีพระบินทบาทเป็นทุกข์อาหารเป็นรถรถนเป็นคันรถบินทะบาทกันหลายชั่วโมงเขาก็ตื่นเต้นกันนะ คือก็ไม่นึกว่าเอาไปทําอะไรล่ะอาหารมันแค่พ อ, อิ่มแต่เองแล้วอาหารพวกนี้มันก็เน่าเสียนะฮะพอผ่านเวลาไปหน่อยเดียวสามสี่ชั่วโมงมันก็ยุ่งแล้วของเสียหายเยอะแต่เรา ก, ก็ไม่ค่อยคิดแปลกก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างนี้เองต่อไปคือท่านประกุธทธัคคยานะก็เป็นชื่อตามต้นไม้ที่ท่านเกิด คือทั้งเกิดที่ต้นไม้ชื่อปะกุทะนะสกุลก็กัจใจยะนะก็มีประฐาปฏิปาทาธิ่พิกลแบบทุกขลกิริยานะคือถ้าเราไปดูในทุกขกิริยาเรจะเห็นว่าคือทรมานร่างกายแบบทุกขกิริยาเช่นว่าห้ามใช้น้ำเย็นใช้แต่น้ำร้อนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากินข้าวถายอุจจาระอะไรแต่ไเนี่ยหรือว่าเปื้อนสิ่งโสกปรกเนี่ย ฐานน้ำบอลไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งว่าอย่างนั้นในการเดินทางถ้าต้องถูกน้ําที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองน้ําที่ขังอยู่ในฉลนุนหลังฝนอะไรเนี่ยถือว่าสีขาดแล้วต้องตัดสีใหม่โดยตะล่อมทรายทําเป็นจอปฏิฐานสนีแล้วก็เดินทางต่อไปแลักคาสอนเป็นเป็นสสตตะว่า คือถือว่าสิ่งทั้งหลายเชี่ยงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องกรรมก็ถือเป็นอกิริยวาวาทคือถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําการทําดีทําชั่วก็ไม่ให้ผลดีชั่วร่างกายคนประกอบด้วยกองเจ็ดกองกเรียกว่าธาตุเหมือนพอการฆ่ากันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเพราะว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าเป็นแต่ธาตุทั้งเจดกองเนี่ยมันแทกกันไปแทรกกันมาทันเดง ก็ชักยุ่งเหมือนกันอท่านผู้ฟังที่เคยอ่านเรื่องกรรมณิทวาสิทธิีก็คงจะนึกออกที่พวกวาจสุปก็จะสุสอนองค์ริมานเนี่ยมันก็มาจากละทิตรงเนี้ยแต่ที่นี้อแนวตรงนี้ที่จริงมุกไวปปนอยู่ในแนวของสีมัดภควัตกีตาเพราะการที่นาําาศส์ำท่านท่านผู้ฟังมาดูภูมิหลังของชมพูทวีปเอก็อไม่เจาะลึกหรอกเราะเจาะลึกไม่ไหวเสียเวลาเยอะแต่ดูซะ ก, ก่อนนะฮะว่า ลักษณะความเชื่อเหล่าเนี้ยมันมีประำปรามาไเลแล้วก็ถ่ายทอดกันมาถ้าถามว่าปัจจุบันยังเหลืออยู่ไหมมันก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันในรูปแบบต่างๆเพียงแต่ว่าคนไม่ได้สังเกตเองแม้ในหมู่ชาวพุทธเราเนี่ยบางคราวบางคราวความคีด ก, ก็เป็นพวกนี้ไปดือ้อๆฝวกฉาทัศนะเนี้ไปดือ้อๆเพราะบางบางตอนเนี่ยมันเฉี่ยวกันก็ลองสังเกตว่าเขาจะหนักไปซ้ายหรือกว่า มันเป็นวัตถุนิยมจัดด้วยจิตนิยมจัดแต่เราเองเราก็ไม่ได้กระโดดลอยไปหายคือไม่ทิ้งจิตแล้วก็ไม่ทิ้งวัตถุทั้งหมดแต่เราปรับมาอยู่ตรงกลางโรยปรับจิตก็มีการควบคุมระดับอัญชาแต่ไม่ถึงกับเป็นจิตเที่ยงจิตมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลเกิดดับวัตถุเองเราก็ต้องอาศัยมัน แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญารู้เท่าทันไม่ไปเกาะยึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพระาะถ้าหามีการเกาะยึดก็กลายเป็นทุกข์แต่นิสงแสดงว่ากล่าวโดยสรุปก็ความยึดบ้านถือบ้านในขันทั้งห้าเนี่ยก็เป็นความทุกข์เพราะในลัทธิของท่านปรจกุบฐนกัจานะเราจะเห็นว่าจริงๆก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฐิในแง่ของอสัตว์วา กตวัะเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีเหตุที่จะนําขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเชี่ยงแท้สากลคือเข้าไปรวมกับปรมัตมันเพราะอะไรพระท่านถือว่าเป็นอกิริยาวาสก็ถือว่าการกระทาไม่เป็นการกระทำบาป บ, บุญไม่มีนะฮะมันก็สักแต่บะกองกองกองของธาตุดินน้ํามลมไฟอากาศได้แต่ใดเนี่ย ก, ก็สักแต่วัฏที่มาเกาะกลุ่มกัารแตองชีวะอาชีวะ ตกลงว่าบาปบุญก็ไม่มีการฆ่ากันก็ไม่มีการฆ่าผู้ฆ่าก็ไม่มีผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีสาเหต่ว่าดาบมันบาปก็คือวัตถุคนที่แทงก็วัตถุคนที่ถูกแทงก็วัตถุมันก็ไม่มีอะไรวัตถุใสกเข้าไปในวัตถุทันก็สนุกกันใหญ่ตัวนี้ที่จริงยุ่งนะฮะคือถ้าเชื่อในแนวนี้แล้วเราจะเห็นว่ากระแสความเชื่อมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ชมพูทวี แล้วถ้าเรามามองว่าประเทศญี่ปุ่นมันมีลทัทธิบูชิโดก็ไม่จะธรรมดาเหมือนกันแล้วก็พวกซามูไรนะฮะเราจะเห็นว่าซามูไรมันก็มีลักษณะที่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการคว้านท้องตัวเองะอะไรต่ออะเนี่ยก็จะไปบาปแล้วก็ฆ่าคนในรูปแบบของเขาเนี่ยฮะจะไม่บาปพวกนินจงนินจาพวกอะไรก็เรื่อยมาจนถึง สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีฝูงบินอะไรการเมกาเชอะไรเนี่ยแล้วก็ถือเป็นวีรกรรมแล้วก็เป็นบุญซึ่งคนก็ทําอะไรโดยไม่ตะกิตตะขวงนะคเพราะคนเราถ้าลองปฏิเสธบาปปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญแล้วก็แย่เลยนะฮะมันจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ตะกิตกะขวงใจเพราะในฮิริโอตปะเนี่ยมันถึงเป็นธรรมะคุ้มครองโลก เฮริโอตปะมันจะห้ามใจมันจะหยุดใจมันจะหยุดคิดความคิดเอาไว้ไม่คิดที่เป็นบาปเพราะกลัวผลของบาปหรือรกลัวตัวบาปเองแล้วถ้าเราคุมตัวความคิดไว้ได้แล้วก็ควคุมกายวาจาเอาไว้ไม่ทําบาปก็กลายเป็นคนดีนะกลายเป็นคนสุจริตแต่ทีนี้ถ้าคุมได้ทั้งหมดโลกมันก็เข้าสู่สันติได้มันจึงทรงแสดงว่าเิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลก แต่แนต่ตรงนี้มันไม่กระตุ้นไม่กระตุ้นในเกิดทีเดียวตัปลเพราะว่าถือว่าสังขารทั้งหลายมันเที่ยง ม, มันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยนะแล้วก็บุบาทไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าไม่มีมมนะอธิบายไปเรื่อยแล้วก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นขาดแรงผลักดันในการละ บ, บาปเป็นบุญแล้ก็เลื่อนไหลไปเรื่อยทางก็บริสุทธิ์ของตนเอง คาคิดเนี่ยนี่จึงก็เป็นอันตรายนะะเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งมันเป็นอะไรก็เรียกว่าสักขาวรคือห้ามสวรรค์และมาขาวนก็ห้ามนิพพานนะเพราะว่ามันมันไม่มีแรงกระตุ้นเลยนะฮลองสังเกตว่าความคิดตัวเนี้มันมันจะหยุดชะงักกับที่ทำไห้ทำก็คือกัน เรไม่ทาก็คือการเพราะท่านถือว่าวันหนึ่งท่านก็บริสุทธิ์เองต้องฟังทั้งหลายแต่รวมประพฤติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทังนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี